พอฟังรอบที่สองกับพ่อฟังลูกปุพิฆานี่แหละการฟังกันเดิมซ้ำกัาไปอีกยัศกุลบุตรได้เป็นพระอรหันต์พ่อของตัวเองเน่ที่ท่านเป็นเป็นท่านเสรษฐีน่ได้ดวงตาเห็นธรรมนะ ม, มันปรับไปตามพื้นเพ ร, ริิตนิสัยของของภูมิของจิตของเราอ่พราะฉะั้การที่เราตั้งในทีน่นี้เพื่อเป็นการท่อม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 แล้วต่า ง, งคนต่างตั้งใจสัมรวมระมัดระวังเราอยู่ด้วยการเราเกี่ยวข้องกันกับเรื่องอะไรก็ตามมานั่งรับทานอาหารลุกยืนนั่งเข้าห้องน้ําเข้าห้องนอนทนํา ต, ตรงนั้นตรงนี้อะไรคลองไครมันก็มีจุดประสงค์มีเป้าหมายของตัวเองว่าตัวเองกําลังจะทําอะไรแล้วก็ไปจัดไปทํา ไ, ไปนู่นไปนี้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 เราไม่อยากตายเราไม่อยากตายนี่นอกจอากนั้นแล้วมันน่ยมันมันตั้งสาบตั้งแช่งใส่เราเนะตัง้งสาบตั้งแช่งใส่เราอืมโดยเฉพาะอย่างยิง่งนะมนุษย์เราเนะี่ยมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์ดีๆมนุษย์บริสุทธิ์นี่แหละถูกเขาทาร้ายใส่โทษเนี่ยอ่าถูกเขาทาร้ายใส่โทษมาจะมาทําทุกข์มาทรมานเนี่ย มาจับมาทำทุกทรมานทรมานจนตายเน αι, เวลาก่อนจะตายสาบแช่งแลยตอนี้ขอให้คนคนนี้เกิดพบใดชาติใดจะได้มีความสุขเลยให้มีแต่ความเร่าร้อนใจมันผูกเจ็บในหัวใจนนี่เวีนกรรมเวียนกรรมคือมันไม่ยอมในเมื่อใจมันผูกมันเจ็บมันมันเจ็ บ, จบแล้วก็ตกเป็นกรรมของคนคนนั้นเพราะได้ช่องได้โอกาสมันก็ไปสนอง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 เป็นการเลี้ยงง่ายเป็นการอยู่แบบธรรมชาติจริงๆเราไม่ได้ทำเพื่อเป็นการประดับประดาเป็นการตกแต่งนัะคีมาลาเนี่ยข้อเจ็ดนะรวมเป็นสองข้อเป็นข้อหนึ่งเป็นข้อเจแล้วก็ข้อสุดท้ายอุจจาอุจจาที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นระสรําปีคือที่นอนที่นั่งที่นอนนิ่มนมุ่มนั่งไปแล้วนอนไปแล้ว